พระธรรมเทศนาแผ่นที่101ดลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุฎรธานีแสดงธรรมในวันที่7ธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่าทำความดีแทนความคิดถึงหลวงพ่อออกจากวัดไปหลายวันลูกหลานไปตั้งแต่วันที่25 พฤศจิกายนไปข้ามเดือนเลยกลับมาวันที่6ทธันวาคมเป็นเวลา11 12วันไปขาวนี้รู้สึกว่านานมากแล้วก็ไปไกลอีกต่างหากทั้งไปนานด้วยทั้งไปไกลด้วยเดี๋ยวจะบอกให้ลูกหลานศรัทธาญาติโยมได้ทศาศาราบพระลุมพอไปไหนบ้างแล้วก็มาถึงวัด พระรายงานบอกว่าพระในวัดของเราเดียวนี้อยู่มีอยู่สามสิบแปดรูปมีนาคอยู่สามอากาศก็รู้สึกว่าหลวงพ่อไปรู้สึกวุ่นอย่งอุน่นพอกลับมา ล, ลูกลูกหลานเอาหนาวมาคอยท่าเลยได้โหมผ้าเลยนะยแต่ก็คงจะไม่หนาวมากเท่าไหร่หลวงพ่อวานประมาณทักวันนี้ประมาณัก น่าจะถึงสิบห้าได้สิบหกองศาันนี้นะแต่ก็สำหรับหลวงพ่อเองรู้สึกว่าหนาวหนาวแล้วแต่สำหรับพระน้อยพระนมเราก็คงจะไม่เท่าไหร่เพราะไฟธาตุยังแขยังมากอยู่แล้ววันนี้เป็นวันที่เจ็ดธันวาคมพุทธศักราช2559้าอยห้าอย่างที่หลวงพ่อได้ พูดให้ฟังว่าหลวงพ่อออกจากวัดวันที่25่าิ้าจะนกอนเดินทางลงกรุงเทพไปพักที่วัดไปพักที่สวนแสงธรรมวันที่26เป็นวันเสาร์ไปฉันที่จิตโพชนาวันที่27ผ้าป่าสวนแสงธรรมเพื่อหาทุนให้กับสวนแสงธรรม จากนั้นก็ได้ไปฉันในสถ า, านที่ต่างๆลงไปทั้งหัวหินนะลูกหลานนะท่านสุวัตคุณนายนิมนต์ไปฉันท่านทำบุญกิจการบ้านของท่านที่จังหวัดประจวบจากนั้นก็ได้ขึ้นมาขึ้นเครื่องมาขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิบินไปปากีสถ า, าน เ, เพื่อนวันที่30ประมาณสักห้าหโมงเจ็ดเนมั่งไปถึงปากีสถานห้าทุ่มใช้เวลาหชั่วโมงจากกรุงเทพไปบินตรงเลยนะบินตรงไปปากีสถานทำไมหลวงพ่อจะได้ไปปากีสถานะเพราะว่าทางสถานทูตไทยเขานิมนต์ นิมนต์วัดนิมนต์หลวงพ่อไปทําบุญอขอบรอบห้าสิวันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวรรคตไปนี่แหล ะ, ะทางสถานทูตทุกแห่งทั่วโลกจะใครจะนิมนต์พระครูบาาจารย์องค์ไหนไปทางปางกีสถานเขาก็รู้จักมักคุณกับวัดของเรา ไอ้ ท, ที่ที่เป็นเส év, เศษทูตทหารเป็นลูกหลานของนี่แหละศรัทธาญาติวงของเราเนี่ยแะก็เลยได้นิมนต์หลวงพ่อหลวงพ่อเกี่ยวกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเราคงจะไม่ปฏิเสธเพราะว่าเราเป็นพระสงฆนิกายเขาสมควรที่จะไปหลวงพ่อก็ได้ไปเดินทางไปเมื่อวันที่สามวันที่สามสิบ แล้วก็ถึงที่นุ่งก็ไปพักอยู่ที่สถานทูตโอ้สถานทูตเขาใหญ่นะลูกหลานนะเนื้อทีตรงหกไร่การก่อสร้างสมบูรณ์ถามท่านทูตท่านทูตผมบอกว่าท่านก็เพิ่งย้ายเข้าไปยังไม่ถึงปีมัย้ายมาจากปักกิ่งมาจากประเทศจีนแต่เขาสร้างมาโนมนานแล้วนะสถานทูตเนื้อเขาสร้างหมดไปทั้งหลยสายสามร้อล้านพอนะเป็นสถานที่ เหมือนกับวัดเลยล่ะดูสถานที่กว้างขวางครับไปพักเขาให้พักอยู่มุมหนึ่งในสถานทูตนั่นะพอมันที่มันกว้างขวางพนักงานเขาก็ไม่มากนะหลวงพ่อไปด้วยกันสี่โรคพระวันแรกก็ได้ฉันพัตทหารที่บิณทบาทเขาจะจัดสถานบิณทบาทในกองสุนนะ่นั่นะในในสถานทนะูตนั่นบิณทบาทฉันแล้วก็ หลวงพ่อก็ได้กล่าวถ้าผู้ติด ต, ตาม่ึงเฟสคงจะรู้ได้แต่วันที่สองที่สามลงมาหลวงพ่อเอยเฟสจะพึ่งลงนะจะลงจะกลับซะก่อนยังค่อยลงทีเดียวเลยพอกลับมาก็ให้กูบาท่านลงเฟเ อ, ออกข่าวต่างที่เคยออ ก, ออกทุกวันแล้วไปอยู่ที่นั่นลงุงไปวันแรก เขาก็พานิมหนหลงพ่อไปตรงเวนดูเมืองอิสลามาบัตอิศลามาบัตกรุงเมืองหลวงเขาของปากีสถานไปเขาก็ไม่ได้ลงรถเรดินเดินเดินนั่งรถไปเรื่อยๆไปโอ้เป็นประเทศที่ใหญ่กว้างขวางถนนทนท า, นทางของเขาก็ดีแต่ไปมองๆดูแล้วก็โอ้ ไม่ซีวิไลต์ตรงที่ว่ามีแต่ทหารเตรียมพร้อมทุกหมุมเมืองเลยไปเห็นแล้วก็อื้งแวันที่สองต่อมาเขาคนในมนไปดูพิพิธภัณฑ์ เ, เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ไปเห็นกับพุทธภัณฑ์เขาอธิบายเรื่องเนี่ยนะพุทธประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกกิริยา บอมเพนอะไรเขาก็อธิบายให้ฟังเป็นภาษาอังกฤษนะจากนั้นเราหลงพ่อไปดูขึ้นไปนะไปดูมรดกโลกเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่แผ่นดินไหวที่หยุดบนเนินเขาแห่งหนึ่งสรุปแล้วก็คือจุดนั้นคือเมืองตะกัศิลาน ะ, ะเป็นอ น, นว่าหลวงพ่อเนี่ย พูดให้ลูกหลานฟังเราเมืองตะกะศิลาตะกะศิลาคือเกี่ยวกับชาดกแล้วนะพระเจ้าไปดินไปเรียนวิชาที่ทิศปาโมกเมืองตะกะศิลาให้ลูกหลานได้ฟังสมบัติที่หลวงพ่อได้ไปเห็นแล้วไปผ่านเมืองตะกะศิลาแล้วนะหลวงพ่อนะแปลว่าได้ผ่านเมืองตะกะศิลาแนละ้ว พอไปเห็นโอ้มันไม่มีต้นไม้เลยลูกหลานเนี่ยพิถีเนินเขาเนี่ยแหละอันนี้คือเมืองตะกัดศิลานะ่จ้ทั้งหลวงพ่อก็ได้กลับมาก็ได้ทำพิธีเกีเ่ยวกับทําบุญถวายเป็นพระราชกุศลในสถานทูตไทยก็ได้รู้สึกว่าได้รับความอบอุ่นท่านดูแลดีมาก สถานถทูตทังคนในสถานทูตนั่นแหละจากนั้นก็ได้ลําลาท่านกลับมาเมืองไทยวันที่สี่นะแล้วก็มาพักอยู่ที่สวนแฉงธรรมอีกคืนนึงวันที่5ฉันที่กรุงเทพวันที่หเมื่อวานฉันอยู่ที่วัดรวมธรรมเขาไปไประชุมอยู่ที่ซาลากลางจังหวัดเมื่อวานเกี่ยวกับเจดีองค์หลวงตา นี่แลหละลือหลวงพ่อไปลกูกหลานเนะี่ยปลหลายวันนะแต่ถึงยังไงก็ตามยังเป็นห่วงเรื่องวัดของหลวงพ่ออยู่พอมาลกลยถามเสียต้อมให้เสียต้อมโทรถามทงางภายในวัดของเราบางว่าเป็นยังไงกิจการภายในวัดก็รู้สึกว่าทางวัดก็ได้เตรียมพร้อมที่จะเทกำผงกำแพงใหม่ ใครข้าวทุบเอามมแมกโรมายยกปกูนซีเมนที่มันเป็นกำแพงออกแล้วก็รู้สึกว่าพร้อมที่จะเดินงานแต่ก็บอกว่ารอต้องรอหลวงพ่อซะก่อนให้หลวงพ่อมาดูซะก่อนว่าจะเอายังไงแต่หลวงพ่อก็อเอามาดูกับพยายามทำให้ดีนั่นแหละ แต่ไม่ความสวยงามหลวงพ่อมันด้คิดว่าความสวยงามแต่ว่าคิดในแง่ความแข็งแรงท่านการจะสร้างอะไรในวัดของเราเพราะมันเคยเล้มระดัระนาดมาแล้ว เ, เราจะไปมุ่งหวังเรื่องความสวยงามอันไหนที่จะแข็งแรงที่จะไม่เกิดปัญหาในต่อไปภายภาคหน้านั่นะหลวงพ่อเน้นจุดนั้นนะ่นถ้ า, ามัมันมีปัญหากับอย่างที่ว่านะั่นแหะ มันเสียไว้ลำเวลาจะมาเราที่จะมาบำเพ็ญหาทางพ้นทุก์มาบำเพ็ญบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วก็ไปไม่ได้มีทํามางวงวงวังวกงงัวดูแลเรื่องอด้านวัตถุเรื่องกําแพงพังอยู่ตลอดก็ไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นแต่ถีอย่างไงก็มันทำมันผุพังเข้ามาแล้วก็เอเ อ, ะเอะจะต้องแก้ไขจะต้องแคแก้ไขปรับปรงุงอันนั้นกับ มันเป็นหน้าที่ของพวกเราภบ้านของเรานะแต่ถ้าหากว่าเมื่อมันเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วนะเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นลักษณะอย่างไงเราก็พยายามทำให้แข็งแรงขึ้นหลีกเลี่ยงที่มันจะเป็นอันตรายจะทำอย่างไงที่จะไม่ให้มันเกิดถึงจะเกิดขึ้นมาก็ไม่ให้มันเป็นอย่างนี้อีกอันนี้ก็ช่วยๆกันคิดนั่นแหะ แต่ก็อย่างที่หลวงพ่อพูดผู้ที่มาเกี่ยวข้องก็มาดูหลายหลายท่านเมื่อวานในศรัทธาญาติวงก็มาดูอีกกลุ่มหนึ่งมามาดูเพื่อจะมาดูเพื่อความแก้ไขนั่นะจะช่วยเหลือหลวงพ่อยังไงหลวงพ่อขอขอบคุณและขอขอบวกขอบใจต่อจากลูกหลานพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเราที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเนะี่ย ผู้ที่โอนปัจจัยเข้ามาในบัญชีก็มีผ่านกุลต้อมเสียต้อมเขาบอกเลขบัญชีให้กับพวกลูกหลานโอนเข้ามาเป็นกองทัพมดกองทับมดส่งเข้ามาหลวงพอ่ออันนี้คือน้ําใจของพี่น้องลูกหลานทุกคนหลวงพ่อยินดีอนุโมทนากับลูกหลานที่เอามาช่วย กำแพงเอามาช่วยสะพานเอามาช่วยพัฒนาวัดที่เสียหายเกิดขึ้นภายในวัดของหลวงพ่อก็เป็นจตุปัจจัยหลั่งไหลเข้ามาพอสมควรน้ําใจของพี่น้องลูกหลานพวันนั้นหลวงพ่อเองก็หนักใจไหมก็ไม่ถึงกขนักใจพวันนั้นลูกหลานทุกคนก็ไม่ให้หนักใจเหมือนกันนะะั่นแหะ แต่หลวงพ่อเองก็อยากไม่หนักใจเพราะเหตุไรเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายที่มอข้ามอกแกงที่พรกพาอาศัยของพระสงฆ์ก็ไม่ได้ทํารายไม่ได้เสียหายอะไรมีแต่เรื่องกําแพงเรื่องถนนหนทางอันนี้เราก็ค่อยเป็นค่อยไปเราจะไปเร่งไปเดือดไปร้อนก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันนะั่นนะไม่ใช่ว่า เราจะยกประเด็นขึ้นมาแล้วก็ทําให้ลูกหลานเดือดร้อนแผ่ขอเป็นทําผ้าโปง่งทําผ้าปาาลาหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะั่นแหะให้มันเป็นแบบเรียบง่ายถ้าเป็นมาก็เป็นมาด้วยศรัทธาศรัทธาของศรัทธาญาติโยมลูกหลานเพราะเหตุไรเพราะว่ า, าทุกสิ่งทุกอย่างมันเสียหายขึ้นมาก็ต้องได้ซ่อมเหมือนกับบ้านของเรานะสั่งกสีถ้ามันลุกมันลม เราจะอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้มันก็ต้องเอาหลังคามาปะมามุงอามารักษาให้มาอยู่ในสภาพพร้อมที่จะอยู่ได้นี่ในวัดของเราก็ลักษณะอย่างนั้นแหละเพื่อรักษาวัดว า, าศาสนาเสนาสานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลงตามหาบัว ท, ที่ท่านท่านสร้างมาให้แล้วเนะ่ะพอมันพังขึ้นมาเนี่ย เราจะปล่อยปาละเลยก็ยังไงอยู่หลวงพ่อกเ็เป็นคิดถึงองค์หลวงตาเหมือนกันนะที่ท่านมีพระคุณเมตตาสร้างกําแพงให้แต่ก็มาพังทะเลทลายถึงร้อยกว่าเมตรแล้วก็น้ํามุดอีกเกือบร 100. อ้อยเมตรมันจะต้องได้ซ่อมได้แซมทั้งหมดนั่นแนหะแต่กีคิดว่าเน่ยคอยเป็นค่อยไปลูกหลานก็ให้ความให้ความ ใส่ใจดีอยู่ทุกคู่ทุกคนอยู่เนี่ยนะเรื่องวัดนะที่พ่อหลวงพ่อมาเห็นแล้วก็ได้ถามไถยทันทีละ่ะว่าเป็นยังไงเรื่องวัดของเราไปถึงไหนยังไงพอหลวงพ่อไปตั้งแต่วันที่ 25, ยี่สิบห้ากลับมาเมื่อวานนี้พอมาก็มาถามถามเสร็จแล้วเนี่ยประกาศได้บอกกล่าวให้กับพวกคณะชาตาญาติโยมลูกหลานได้รับรู้รับทราบแต่หลวงพ่อก็ถามว่าทาง โยทาเขาว่าจะไงทางทางหลวงแผ่นดินเขาว่าจะไงเรื่องสะพานพระทั้งกราไรงานว่ารวมกันทั้งหมดแล้วก็ประมาณจะจะได้ใช้เงินประมาณห้าหกล้านบาทประมาณนี้แหละหลวงพอนะ่อห้าหกล้านกว่าบาทประมาณนี้แหละก็ไม่เป็นไร นี่แหละอันนี้แจ้งข่าวแล้วบอกให้พูลูกหลานได้ทราบสรุปแล้วคือไม่ให้หนักใจนะหนักทางด้านวัตถุให้หนักใจกับพวกเราให้เน้นหนักเรื่องทำคุณงามความดีท่านน่ะสิเนีเรานอยู่นสถานที่ใดให้มองตนเองให้ประกอบคุณงามความดีนั่นแหละเป็นเรื่องที่จะต้องคิดในชีวิตประจำวันของพวกเราอย่าปล่อยปะละเลยจนเกินไปอันไหนดี คิดดีทำดีพูดดีในการทำมาหาเลี้ยงชีพสั ม, มาชีพนะอย่างที่ทุกวันนี้ก็ยกประเด็นของพระบาทจอมเดจพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของพวกเราที่ท่านให้สั่งสอนพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเราแต่บางคนก็ตีหลวงพ่อได้ทราบมาว่าทางฝ่ายพระเนะี่ยท่านพูดให้หลวงพ่อฟังโอ้รู้สึกว่าพี่น้องประชาชน ซึมเศร้าล้วคิดถึงในหลวงบางทีก็ซึมนิสัยซึมเศร้าคล้ายๆว่าไม่อยากจะพูดไม่อยากอะไรมีมากขึ้นเรื่อยๆหลวงพ่อว่างั้นหลวงพอ่ออืถ้าเราคิดถึงก็ใช่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ทรงคุณวุฒิอย่างองค์หลวงตาที่จากไปหลวงพ่อก็คิดถึงนะ คิดถึงคิดถึงหลวงตาแต่ว่าเมื่อคิดถึงท่านแล้วหลวงพ่อคุณหลวงตาเนี่คือพระอรหันท่านเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วแต่พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นเป็นใครเนี่ยทำไมไปหาคิดถึงท่านทําไมท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านประกาศแ ล, แล้วเราเป็นใคร เ, เราต้องมองมองมาหาตนเองเองอีกเหมือนกัน นี้ก็เหมือนกันนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงคุณธรรมทรงทรงศีลทรงธรรมทรงคุณค่ามีแต่ประกอบคุณงามความดีในพระองค์ท่านท่านมีแต่รมความดีแต่เราละ่ะดีเหมือนท่านไหมเราต้องมองตนเองมองตัวเราควรปฏิบัติดีอย่าง พระบาทสงเด็ดพระเจ้าอยู่หัวท่านพาดำเนินเดินตามแนวแถวท่านมันจึงจะถูกน ะ, ะไม่ใช่ว่าพอท่านจากไปก็นั่งจุกนั่งเจา้านั่งง่อมนั่งเหงาคิดถึงร้องห่มร้องไห้มันไม่ถูกทั้งนั้นแหล ะ, ะมันต้องมองตัวเองว่าข้าพระเจ้าจะทำยังไงจะให้ดีที่สุดตามแนวแถวของพระบาทจมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านพาดาเนิน เราจะต้องเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรถ้ารวช่วยเหลือชุมชนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็สู่จิตใจยกระดับจิตใจของตัวเองให้อาฐานให้ล่าเริงจะไปง้อมเหงาทำไมคิดทำไม ท่านจากไปท่านไปดีแล้วท่านถ้าหาว่าท่านไม่พ้นทุกข์ท่านก็ต้องไปอยู่สัจหวันชั้นฟ้าชั้นผมชั้นใดชั้นหนึ่งเพราะท่านทําดีมาตลอดออพวกเราเป็นใครเพราะฉะนั้นขอให้มองตนเองไม่อยู่เสมออันนี้แหละคออือทางที่ถูกต้องเราอยู่ในสถา น, นะไหนเราเป็นพระแล้วก็ ท, ำทำําทําดีนหน้าที่ของพระให้ดีที่สุด หน้าป็นหน้าที่ข้าราชการเพราะบาตสมเสด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านสอนยังไงสอนขอ้าราชการออสอนให้งอมืองอเท้าอย่างนั้นใช่ไหมท่านก็สอนให้ทําดีที่สุดออสอนพี่น้องประชาชนการบริหารจัดการในตัวเองทํำยังไงให้ดูทำเศรษฐกิจพอเพียง อ, อ, อย่าเป็นหนี้เป็นศินอย่าไปทําตัวไม่ดีอย่าไปเล่นการพนงพนัน อย่าไปทำความชั่วเราดีแล้วยังอย่างที่พระบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านสอนเอาไว้แล้วก็มองตนเองถ้าเราจุดไหนที่มันไม่ดีเราก็ต้องพยายามปรปับปรุงตัวนั้นให้ดีที่ให้ดีขึ้นอย่าให้มีปัญหานี่แหละเมื่อเราประกอบคุณงามความดีอันนั้นแหละเป็นแปลบอกพ่อคิดถึงพระบติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริงพอเราปรปับปรุงกายวาจาใจของเรา ตามแนวแถวของพ่อที่ท่านสอนไว้ยังไงแต่นี่พ อ, อคิดถึงพ่อแล้ว น, นะเตะคนนั้นถ่วงคนนี้ด่าคนนั้นฉาบแช่งคนนั้นคนนี้ทำตัวไม่ดีจะว่าคิดถึงพ่อได้ยังไงอันนั้นแปลว่าทำให้พ่อเสียหายทำให้ตระกูลเสียหายอีกต่างหากว่าไรเพราะตนเองทำตัวไม่ดีเพราะฉนั้นเสียงเหล่านี้เนะ่ะ ถ้าคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อคิดถึงหลวงตาเนี่ยหงต้องหลวงพ่อก็ต้อ ง, อ ง, อ ง, อองทําดีเอ่อทำดีที่หลวงตาสั่งสอนอย่างไรให้มีกิ จ, จวัตรข้อวัดอย่างไรถือธุดงอย่างไงฉันให้บาดอย่างไงฉันมือเดียวอย่างไรวิธีการประพฤติปฏิบัติการแนะนําบอกกล่าวหลวงตาพาดําเนินอย่างไรนี่เราก็เดินตามแนวแถวองค์หลวงตานี่แหละอันนี้แปลว่าเป็นผู้คิด เคารพเชื่อฟังรักเอแนวแถวของลวงหลวงตานะเอไม่ใช่ว่าเอาพอคิดว่าคิดถึงหลวงตาเนี่ยทําตัวออกนอกลูก่นอกทางหลวงตาไม่เคยพ่าทําก็ทําไปเออไม่รู้อะไรตัวเมื่อไรไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าตัวของท่านเองนะนี่แหละอันนี้ให้พวกเราทุกทุทกท่านก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าคิดถึงหลวงพอ่อ ก็ท่องหลวงพ่อสอนอย่างไงหลวงพ่อแนะนําสั่งสอนอย่างป้างกล่าวอย่างไรให้ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวนั่นแหละโปรดคิดถึงหลวงพ่อที่แท้จริงเออถ้าหาว่าเอให้บนแต่ว่าคิดถึงหลวงพ่อแต่ทําตัวไม่ถูกต้องตามโกฎตามระเบียบที่หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอันนั้นไม่ใช่ผู้คิดถึงหลวงพ่อนะถึงจะว่าคิดถึงแต่ปากเฉยๆนะ แต่ใจการการประพฤติการปฏิบัตินั้นไม่ไปดาบแนวแถวหรือที่หลวงพ่อแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวปลนคอยลูกหลานทุกคนนะุูกแล้วเคยเป็นคนดีแล้วก็พร้อมกันวันนี้เป็นวันพระนะ เ, เป็นวันพระขึ้น8ดค่ำเดือนหนึ่งมั้งพอมเป็นเดือนเดือน12เพนผ่านมาแล้วนะมนคงจะเป็นเดือนหนึ่งขึ้นหนึ่ง ขึ้นแปดข้าเดือนหนึ่งจริงๆนะปีวอกนะวันนี้เป็นวันพระนะสัทธา ญ, ญาณโยมโ ล, ลูกหลานนะให้รักษาสินอุโ ม, โมสถนรักษาสินห้านะประกอบคุณงามความดีนะวันนี้นะวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดข้าวันที่เจนะ็ดเอาตนี้ไปประสงค์อนุโมทนาให้พรรับพรในะที่นี้นะ